เจ็อของส่วนเกินทําให้เราเหนื่อยเกินความเป็นจริงวงเล็บเปิด26กุมภาพันสองพันในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดกิเลสไม่เลือกหน้าเราหรอกอยู่ที่เราต้องรู้ทันใจของเราเองให้ดีเผลอเมื่มอไรกิเลสเอาไปกินทุกทีขี่คอเราทุกทีที่มนุษทั้งหลายดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเป็นาธาตุของกิเลสกิเลสอยากใหญ่กิเลสอยากโตกิเลสอยากย้ําอัตตาตัวตนมันอดไม่ได้ ฉะนั้นดิ้นรนแทบเป็นแทบตายทำอะไรก็ต้องแย่งกันแย่งได้มากๆและรู้สึกเซิรฟ์ฟในวงเล็บสนองอัตราดีลองไปดูในชีวิตเราเนี่ยเรามีของส่วนเกินเยอะเลยไม่ได้บริโภคตามความจำเป็นหรอกแต่เราบริโภคเพราะอัตราขับรถก็ต้องอี้ออย่างนี้คันเดียวไม่ได้วันจันต้องใช้คันนี้วันอังคารต้องคันนี้สายสายคันนี้มีนะบางคนมีตั้งเยอะ แค่น้ําล้างรถชาวบ้านก็กินได้ทั้งหมู่บ้านแล้วมันมีอัตราไม่ได้นั่งรถด้วยก้นหรอกแต่นั่งด้วยหน้าใช้หน้านั่งไปไหนก็นั่งด้วยหน้าไปวันไหนขับรถกระป๋องไปอายเข้าตายเรามีสิ่งเหล่านี้เยอะนะสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเหนื่อยเกินความเป็นจริงฉะนั้นเราหัดดูจิตดูใจเรารู้ทันตัวเองไปเรามีชีวิตพอเพียงอยู่ได้สบายมีความสุขเอาอย่างในหลวงบอกนะอยู่อย่างพอเพียง พอเพียงไม่ได้แปลว่าขี้เกียจอยู่อย่างพอเพียงคืออยู่แบบพึ่งตัวเองได้อยู่แบบไม่เป็นขี้ข้าเขานะคนที่ตกอยู่ใต้ความอยากก็ต้องเป็นขี้ข้าเขาตลอดไปถูกเขาหลอกให้ซื้อโน่นซื้อนี่อยากได้ยังเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยเปลี่ยนเรื่อยๆกระทั่งเด็กในวัดหลวงพ่อเด็กตัดย่านนี่แหละมันมีมือถือกันคนละตั้งหลายเครื่องมีกันเยอะแยะเลยแล้วเดินไปไหนมาไหนตามตลาดเดี๋ยวนี้เขาจะแจกซิม มันมีของหลอกลวงอย่างนี้เยอะเราไม่ได้รู้ว่าอะไรจําเป็นแก่ชีวิตฉะนั้นถ้าเราพอเพียงเป็นเราจะไม่เหนื่อยมากคนที่เหนื่อยมากทุกวันนี้เพราะพอเพียงไม่เป็นเท่าไหรก็ไม่พอเนี่ยเหนื่อยถ้าพอเป็นก็ไม่เหนื่อยมันจะพอได้ก็ต้องพอใจใจมันพอใจมันพอเพราะมันพอใจในสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏอยู่ต่อนหน้าต่อตานี้แหละไม่รักไม่เกลียดรู้ทุกอย่างที่ปรากฏต่อนหน้าต่อตาเราด้วยใจที่พอแล้ว ถ้าใจไม่พอเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเช่นความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่พอใจเราก็อยากให้สุขความสุขเกิดขึ้นก็ไม่พอใจอยากให้อยู่นานๆใจก็จะดิ้นใจก็ดิ้นรนไปเรื่อยลําบากถ้าเราหัดภาวนาหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆเราก็สบายมีความสุขอะไรเกิดขึ้นเราก็มีความสุขได้ลูกจะตายเมียจะตายมีความสุขอยู่ได้ พูดอย่างนี้บางคนก็บอกว่าผมมีความสุขนะถ้าเมียผมตายตอนนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้มันอยากหาเมียใหม่อยากเปลี่ยนเมียไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะเราอยู่อย่างมีความสุขได้ตอนพ่อหลวงพ่อตายตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกปี2527ตอนพ่อตายแล้วไปดูอยู่ข้างเตียงลูกก็เป็นหมอนะใครก็ช่วยอะไรไม่ได้หายใจเฮือกๆ ห, หายใจแบบปลาหายใจด้วยกล้ามเนื้อตรงนี้แหละ กับังลมมันหายใจไม่ไหวแล้วเห็นไหมคนเรามันพยายามดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดหายใจด้วยไหล่เหือกๆโอ้มันทุกแท้เนาะใจก็รู้สึกมันทุกจริงจริงเพราะท่านตายปุ๊บจิตเราเบิกบานมากเลยจิตเบิกบานไม่ได้เบิกบานเพราะได้มรดกนะไม่ได้เบิกบานเพราะดีใจว่าพ่อตายหรอกเบิกบานเพราะเห็นธรรมะธรรมะของจริงพ่อเรากําลังตายให้ดูอยู่นี่ธรรมะกําลังแสดงต่อหน้าต่อ ต, อตาเรา มาถึงเจเนเรชันในวงเล็บคนอายุรุ่นนี้แล้วถัดจากนี้ก็เจเนเรชันเราแล้วพอเราเห็นนะใจเราเบิกบานฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตใจยังเบิกบานอยู่ได้เราค่อยๆฝึกของเราไปใจเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกไปเรื่อยด้วยการหัดรู้สึกหัดรู้กายหัดรู้ใจรู้บ่อยๆการภาวนาไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องยากเย็นคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อย ใจเราแอบไปคิดก็รู้ใจลอยไปใจมันเครียดขึ้นมาก็รู้ใจมันสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้ใจไปคิดก็รู้บางทีก็ฟังหลวงพ่อแล้วก็คิดธรรมะใจไปเพ่งก็รู้พอใจตื่นขึ้นมาเราคอยรู้สึกตัวไปเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานดูของจริงอย่างนี้การปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกง่ายกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยอย่าไปวาดภาพว่ามันลึกลับซับซ้อน แค่อย่าใจลอยแล้วก็อย่ามาเพ่งอยู่ที่กายอย่ามาเพ่งอยู่ที่ใจหรืออย่าไปเพ่งอะไรสักอย่างใช้ชีวิตธรรมดาใช้จิตใจของคนธรรมดาธรรมดารู้สึกไปธรรมดาธรรมดานี้คอยรู้สึกเอาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยของจริงนะไม่มีอะไรหรอกดูลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรคอยฝึกเอานะชีวิตจะได้มีความสุข